ก็คือสามารถมาเล่าได้เลยว่ามีชาติมีชื่อมีโครและพระพุทธเจ้านั้นมีศีลอะไรบ้างมาบอกเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจุลศีลมชิมศีลมหาศีลมีโลกิยศีลมีโลกุตระศีลเหล่าใดบอกได้หมดเลย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 92อธิบายรายละเอียดข้อสิเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่าชินนปัญชินชินช น, ชนปะปัญเจเนี่นะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตัดขาดธรรมะเครื่องเนิร์นช้าช้าที่ไหนช้าให้อยู่ในวะตะหรือธรรมะที่ขยายวะตะได้เสร็จสิ้นแล้วคืออะไรก็คือตัณหามาณพิธินี่นะที่มันทําให้ขยายวะตะไม่มีจบมีสิน้นทําให้เพลิดเพลินยินดีอยู่ในวะตา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 ก, ط, ก, ก, ก, กี่ลำแล้วผ่านมาแล้วในอดีตตั้งอ่านะเหมือนว่าเนี้อากาศตรงนี้มีนกอะไรมาเคยมาบินผ่านมาตรงนี้บ้างนะเรียกว่าเอาเรื่องราวในแะค่เรื่อว่าเหมือนเอาอากาศมาชี้เล่าให้ฟัง <c oughs> หรือมองฟ้าปั๊บเนี่ยมาตรงนี้นะั้นนกเคยบินมาแล้วล้านตัวเมื่อวันเดือนปีนั้นนะนกตัวนั้นบินผ่านมาวันเดือนปีนั้นนกตัวนั้นบินผ่านมาบินทลาลมหรือว่าบินกระพือปีกบินกระพือปีกกี่ครั้งอันนัความเร็วเท่าไหร่อะไรพระถ้าพูดอย่างนี้พระองค์เล่าได้หมดเลย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 ไม่ว่าจะเป็นในมัคศีลระดับ อ, อริยมัคศีลในระดับอริยผลโลกย雅สินหรือว่าโลกุตระสินพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีธรรมคือมัคธรรมะหมายถึงสมาธิหรือคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาธิวันนี้เป็นมัคคสมาธิผลสมาธินี้เป็นโลกยะสมาธิโลกุตระสมาธิแล้วก็สามารถรู้ถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าเหล่า น, น, นั้นวันนี้เป็นมัคคปัญญาผลปัญญาโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาสามารถเอามาเล่าได้หมดเลย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 ด้วยวิขาพนะวิมุตตด้วยอำนาจของสมถะหลุดพ้นด้วยตะทางขาวิมุตตด้วยอนุภาพของวิปัสนาหลุดพ้นได้ยอย่างเด็ดขาดด้วยอำนาจสมุทเฉทวิมุตตคืออริยมรรตหลุดพ้นอย่างสงบประงับด้วยอริยผลหลุดพ้นจากสังคตะธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระ น, นิพพานพรรพพระองค์เหล่านั้นเนี่ยนะอาศัยสมาบัติ8หลุดพ้นโดวยวิขมพนาเจริญอนุปัสนาเจ็ หลุดพ้นจากธรรมที่เป็นข้าศึกเนี่ยนะด้วยแต่ทางเขาวิมุตต์นนะด้วยอนุภาพของอนิจจานุปัสสนาหรืออนิจจสัญญาเป็นต้นอริยมรรคสี่ของพระองค์นั้นเป็นสมุทเฉทวิมุตต์พ้นจากกิเลสตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดปฏิปสัสสธิวิมุตต์ก็คือโซดาปฏิพนสกาธาคามิพ้นอนาคามิพ้นและอรหัตตะพ้นนะที่สุดแห่งการสงบกิเลสด้วยอนุภาพแห่งอริยมรรคสาหรับพระนิพพานนั้นนิสระาวิมุตติเพราะ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 คือพระองค์ทั้งรู้เองด้วยและเทวดาก็บอกด้วยส่วนรายละเอียดตอนต้นก่อนนะที่พระองค์เนี่ยรู้เองก็กล่าวถึงพระภอ่ารายละเอียดในข้อสิบเอ็ดหน้าเก้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่ประทับพักผ่อนในเวลาเย็นเสด็จตรงไปยังโรงกลมใกล้มกลหมู่ไม้กลุ่มน้ําแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียบพิสูจทั้งหลายมาว่า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 เรื่องนี้นะท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นอย่างไรหรือว่าพระองค์เอง nutshell, พระองค์เดียวก็หมายว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเพราะอะไรเพราะพระองค์แทงตลอดธรรมธาตุคือสัพพัญญตญาณ น, นี่แหละที่เป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยแทงตลอดธรรมะทั้งปวงเพราะอนุภาพแห่งธรรมธาตุคือสัพพัญญตญาณพระองค์งงงจึงรอบรู้สรรพสิ่งทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งหมดได้แล้วนะนะอาศัยสัพพัญญตญาณ น, นี่แหละทาให้พระองค์สา ม, มารถระลึกถึง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 ชาติอย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีอายุคู่พระสาวกการประชุมสาวกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีศีลมีธรรมมีปัญญา ม, มีวิหารธรรมมีวิมุติเช่นนี้เช่นนี้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเพราะอนุภาพแห่งสัพพัญยุตยานเพราะอนุภาพแห่งสัพพัญยวะนะที่สั่งสมบารมีมา